สงสัยว่าทําไมต้องขอนิสัยคือหลวงพ่อไปทุระตั้งแต่วันที่6ที่ไปสกลนครไปมอบโรงเรียนหรือไปเปิดโรงเรียนที่สกลนครที่ไปกับอาจารย์รัตนะถ้าว่าหลวงพ่อไปวันหนึ่งนิสัยขาดเวลาหลวงพ่อกลับม า, าต้องขอนิสัยอยันนี้คือพระวินัยนะแต่สําหรับอาจารย์รัตนะ จะขอก็ได้ไม่ขอก็ได้พอไปด้วยกับหลวงพ่อแล้วก็จารย์รัตนาก็มีอายุพันษามากแล้วเกินห้าปแล้วไม่ขอก็ได้แต่ถ้าว่าขอก็ไม่เป็นไรก็ไม่ผิดนะอย่างที่อยู่กับหลวงตามหาบวัวผูบาอาจารย์ที่อยู่ด้วยกันก็ต้องขอนิสัยนั่นแหละนะนะเป็นการ ออ น, น้อมถ่อมตนอันนี้ก็คือพระวินัยนะจะขอก็ได้ไม่ขอก็ได้ผู้มีอายุพรรษามารถแต่ว่าเพื่อการร่วมกันด้วยความสงบร่มเย็นผาสุกนะก็เป็นการอ่อนน้อมถ่อมตนที่อยู่กับครูบาอาจารย์ขอแต่ก็ไม่ผิดขอก็ได้ไม่ขอก็ได้นะไม่ขอก็ไม่ผิดนะแต่ขอก็ไม่ผิดนะตา น, นั้นก็ ขอรวมกันกับพระน้อยพนุ่มทั้งหมดเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นประเพณีนะในวันนี้ที่ผมในนิมนต์หมู่มาประชุมในใจหรือว่าผมได้คิดเอาไว้แต่เบื้องต้นว่าจะไปชุมหมู่ให้บ่อย ถ้า เ, าเป็นไปได้ก็จะจะไปชมในช่วงระหว่างกลางทุกวันพระแต่นี้ที่ผ่า น, านมาก่อนล่วงเลยมาหลายวันพระเหมือนกันที่ไม่ได้ไประชมุมไปอย่างที่หมู่พวกเพื่อนได้เห็นกิจธุระภาระของผมรู้สึกว่าที่ผ่า น, านมาก่อนเข้าพรรษ า, า ม, มันจะเป็นอย่างนี้เกือบทุกปีในช่วงเดือนแรกเนี่ยรู้สึกว่า งานการมาลุมมาตุ้มทั้งงานไปคระวะด้วยทั้งงานคนมาเกี่ยวข้องด้วยทั้งงานกิจที่ม้วยอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นผมก็เลยติดภาระอีลุงตุงนางไปพอสมควรแต่ในใจนั้นก็ยังคิดอยู่ว่าถ้ามีโอกาสก็จะต้องมีการประชุมทำความเข้าใจเพราะพวกใหม่ก็มีเก่าก็มี โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระใหม่ที่ควรจะได้รับการศึกษาหรือว่าการได้ยินได้ฟังแต่าว่าพวกท่านทั้งหลายอ่านตามตารับตําราก็ไม่รู้จะยกเล่มไหนขึ้นมาอ่านก็รู้สึกว่าฟางครั้งพออ่านไปแล้วก็ยังไม่เข้าใจหรืออ่านไปแล้วก็ยังไม่ถูกจุดจุดประสงค์ที่ พวกเรามาอยู่ด้วยกันมีจุดประสงค์อะไรแล้วก็เบื้องต้นที่จะต้องทําความเข้าใจกันมีอะไรเพราะนั้นจะต้องเรตรับการประชุมหรือการอบรมบ่อยครั้งครั้งนี้บ้างครั้งนั้นบ้างบางครั้งก็อาจจะได้ยินได้ฟังแนวแนวความคิดหนึ่งแต่บางครั้งก็ ซ้ำๆกันไปบ้างอแต่ถึงยังไงก็ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังหลายๆครั้งต่นหลายๆหนเพราะเกี่ยวกับวินยัยแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์หลวงตามหาบัวเองท่านก็ไม่ได้พูดเกี่ยวกับวินยัยแต่ผมรู้สึกว่าจะพูดเรื่องกฎระเบียบนีม่มากกว่าเพราะว่าองค์หลวงตาท่านไม่ค่อยได้พูดเรื่องกฎระเบียบเรื่องวินยัย เพราะท่านว่าท่านทุกคนก็รู้อ่านหนังสือได้อยู่แล้วก็ให้ศึกษาพระวินัยคือเป็นของกฎตายตัวและมีกฎเกณฑ์อยู่แล้วในพระวินัยหยิบขึ้นมาอ่านเมื่อไหร่ก็เป็นที่เข้าใจแต่เรื่องสมาธิวิถีทางเดินของจิตใจนั้นถ้าไม่ได้รับการอบรมแนะนำสั่งสอนจากครูบาอาจารย์จะเข้าใจได้ยาก เพราะว่าวิถีทางเดินของจิตจะเขียนในตหรับธรรมราก็เขียนได้ในระดับหนึ่งจะให้เขียนทุกขณะที่จิตที่คิดใจที่คิดมันต่างคนก็ต่างคิดนานาจิตต่างนานาทัศนะอีกต่างหากที่เพราะนั้นอย่างครูบาอาจารย์พูดก็ไม่ใช่ว่าจะพูดถูกกับจริตทุกจริตก็ไม่ใช่บางทีก็องหนึ่งเออใช่ ท่านอาจารย์พูดถูกกับจริตที่ผมได้คิดกำลังผมพิจารณาอยู่พอดีกำลังจิตใจของผมยังคล่องอยู่พอดีในการทำสมาธิจุดนี้อย่างนี้เป็นต้นแต่บางครั้งก็เราก็ได้อ่านหนังสือหรือว่าในทางฟังธรรมเทศนาครูใบาอาจารย์ท่านก็พูดตรงจุดที่เราสงสัยอยู่พอดีพอดี เราก็เข้าใจได้เออนี่เราคล่องใจเราสงสัยหยุดจุดนี้พอดีวันนี้ก็ได้ฟังธรรมเทศนาของครูบาอาจารย์หรือวันเดีอ่านหนังสือหรือเดี๋ยวฟังเทปหรือฟังซีดีหรือเดีหมู่เพื่อนหรือครูบาอาจารย์ได้พูดให้ฟังก็เป็นที่เข้าใจให้สรุปแล้วก็คือต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังหลายครั้งต่อหลายโหดนั่นแหละพอเราเข้ามาบวชเข้ามาเพื่อการศึกษา เพื่อการเรียนรู้ในหลักของพุทธศาสนาทั้งว่าในครั้งพุทธกาลมีพราหมณ์ในยุคนั้นสมัยนั้นเขาเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเสด็จไปเมืองนาลันทาวันนะพร้อมกับพระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่พราหมณ์เจ้าเมืองเขาก็มากราบทูลพระพุทธเจ้าว่าขอให้พระพุทธองค์แนะนําพระสงฆ์ให้แสดงฤทธ เออคือเหาเขินเดินฟ้าเนี่ยนะอ่ า, อ า, อาให้แสดงฤทธิ์คนทั้งหลา ย, ยก็จะได้เคารพนับถือเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างมากพระองค์บอกว่าไม่เราไม่เคยบอกกล่าวให้พระสงฆ์ทุกษิ์เราให้แสดงฤทธิ์ให้แก่ฆราวาสผู้หนุ่งห่มกางเกงใส่ชุดแบบฆราวาสเราไม่เคยให้พระสงฆ์แสดงฤทธิ์ให้แก่พวกนีิฝัก ถ้าว่าแสดงทิ์ให้ฟังคนที่ไม่มีศรัทธาคนที่ไม่เชื่อเขาก็จะบอกเหมือนกันนพวกนี้เขามายากลเขาทำได้อย่างนี้ก็จบเพียงเท่านั้นแต่ถ้าว่าดักใจทายใจก็เหมือนกันพอดักใจทายใจได้บางคนพวกวิชาภายกระชิบเขาหรือวิชาที่เขารู้วิชาอย่างนี้คนเก่าแก่โบราณ เขาเคยมีวิชาอย่างนี้แล้วเขาเรียกว่าพวกวิญญาณมากระชิบงหูเขาก็ดักใจทายใจคนที่มาเกี่ยวข้องได้ไม่ใช่ของแปลกอย่างนี้เป็นต้นพระพุธองค์บอกว่าเนี่ย เ, เราจึงไม่ให้แสดงฤทธิ์อิทธิปฏิหารอาเทศนาปฏิหาร เ, เราให้แสดงธรรมและแสดงเหตุผลให้แก่ผู้ฟังเท่านั้น ท่าว่าผู้ฟังตั้ง อ, อกตั้งใจฟังและก็ถามในสิ่งที่สงสัยเมื่อสงสัยสิ่งไหนขึ้นมาแล้วก็ถามถามก็ตอบให้ฟังนั่นแหละจึงจะหายสงสัยได้ถ้าแสดงฤทธิ์ให้ฟังถ้าคนไม่เคารพไม่นับถือเรื่อมใสเขาก็ตีความหมายไปอย่างอื่นถ้าดักใจทายใจได้ก็เหมือนกันเขาก็ตีความหมายไปอย่างอื่น พระพุทธเจ้าท่านยกพระภิกษุองค์หนึ่งท่านเป็นผู้ได้ฤทธิ์ได้ฌานโลกีเหาะเหินเดินฟ้าได้เหาะได้เพาะงั้นอะได้ฌานโลกีท่านก็มีความข้องใจว่าจะดับธาตุสีนี้จะดับอย่างไรจะดับความรู้สึกในธาตุสีนี้จะดับอย่างไรท่านก็ไปถามเทวดาเทวดาก็ตอบไม่ได้ถามไปทุกกลุ่ม ถามไปถึงพรมมาโลกไปถามถึงพรมพรมก็ตอบไม่ได้พรมก็แนะนําว่าแต่ท่านทําไมไม่ไปถามพระพุทธเจา้าพระพุทธเจานะ้าน่ยจะเป็นผู้ตอบได้ในเรื่องนี้พระองค์นั่นก็เลยกลับลงมามาถามทูลถามพระพุทธเจา้าจะดับธาตุสีจะดับได้อย่างไรพระพุทธองค์ก็เลยตอบอย่างรวบลัดว่างั้นดับฟินญานถ้าดับใจได้ดับฟินญานได้ธาตุสีมันดับไปเอง แต่ถ้าว่าดับปิญญายังไม่ได้ธาตุสีจะดับไม่ได้พระพระองค์ตัดเพียงแค่นั้นภิกษุองค์นั้นก็เข้าใจนะพระพุทธองค์ก็เลยตอบว่านี่เนี่ยอิทธิฤทธิ์ไม่สามารถที่จะดับความสงสัยได้มีแต่อนุสาสนีปฏิหารคือการแนะนําสั่งสอนอ้างเหตุผลให้ผู้ฟังเข้าใจเท่านั้นจึงจะดับความสงสัยได้เพราะนั้น พระพุทธเจ้าท่านจึงแนะนําและบอกกล่าวภิกษุในพระพุทธศาสนาท่านว่าปฏิหารมีอยู่สามอิทธิปฏิหารแสดงฤทธิ์ได้หอกเหินเดินฟ้าได้ทําตนให้คนหนึ่งให้เป็นหลายคนได้เหนยวอิทธิปฏิหาร อ, อาเทศนาปฏิหารดักใจทายใจได้ให้ข่าวาคนนี้คิดเรื่องอะไร เ, ะเดี๋ยวนี้ขณะนี้หลายๆคนเขาคิดเรื่องอะไร บอกกล่าวได้ทักทายได้อันนี้ว่าอเาิษฐานอนุสาสนีปฏิหารคล้ายๆกับอ้างเหตุผลให้ผู้ฟังเข้าใจอย่างที่พระภิกษุไปถามเทวดาจนถึงชัดพรมพรมแนะนำให้มาถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตอบปัญหาให้ฟังอันนี้แปลว่าอนุสาสนีปฏิหารพระพุทธองค์ท่านตรัสท่านบอกว่า ปฏิหารสามอย่างนั้นอระพโทองค์ยกย่องยกย่องเชิดชูประเด็นที่ว่าอนุสาสนิปฏิหารเป็นเลิศกว่าปฏิหารทั้งสองอย่างนั้นเพราะนั้นพวกเราจะต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังเป็นหลักถ้าว่าพวกเราไม่ได้ยินได้ฟังพวกเราก็คงจะไว้เขเ่ไปในหลายอย่าง เพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายศึกษานะศึกษาในเรื่องศีลสมาธิและปัญญาศีลก็คือการเป็นอยู่อย่างพวกเราท่านทั้งหลายคือศีล227ข้อ227สิกขาบทอันนี้คือศีลมาในพระปฏิโมกศีลในพิสมาจานมีมากกว่านั้นเป็นหลายร้อยหลายพันชิกคาบท อาจจะถึงหมื่นก็ได้แต่ว่าถึงยังไงศีลก็คือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศีลถ้าว่ากายของเราขนองวาจาของเราพูดขนองอันนี้เป็นว่าปรับอาบัติแก่การกระทําทางกายและทางวาจาแต่อาบัตินั้นไม่ปรับทางใจใจคิดอะไรยังไม่มีโทษเพราะว่าใจของเรายัง ยังไม่ทันแสดงออกถึงจากนึกคิดยังไงยังไม่ปรับอาบัติแก่ใจที่นึกคิดแต่ว่านึกคิดแล้วกระทำออกมาทางกายปรับโทษอ่ะสิพูดออกมาทางวาจากระปรับโทษสรุปแล้วก็คือศีนรักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศีนไม่ใช่ว่า ศีลรักษากายวาจาใจให้เรียบร้อยชีวศีลไม่ใช่ศีลคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยแต่ส่วนใจนั้นยังไม่เรียบร้อยยังคิดอยากจะฆ่ายังคิดอยากจะกินเหล้าเมายาอะไรลักษณะของผุุ้ชนยังไม่ปรับโทษแต่ว่าผิดธรรมแต่ยังไม่ผิดศีลธรรมนั้นละเอียดกว่าศีลผิดธรรมทําไมาจะว่าผิดธรรม ผิดธรรมคือกายยกล่ำมจีกล่ำมโนกล่ำมมโนกล่มการกระทําของใจนั้นคิดพยาบาทปองร้ายเขาหนึ่งคิดอิดฉ้าเขาหนึ่งคิดพยาบาทเขาหนึ่งคิดปองร้ายเขาหนึ่งเห็นผิดจากทํานองครองทำหนึ่งถ้าจะว่าไปแล้วคิดออกนอกรูนอกทางก็คือคิดผิดทํานองครองทอทําไมจึงว่าผิดทํานองคลองทำ เราเป็นพระพระพุทธเจ้าให้คิดอย่างไรให้คิดเห็นโทษเรื่องการเป็นอยู่ให้คิดเห็นโทษเรื่องขันห้าให้คิดเห็นโทษเรื่องการมกิเลสให้คิดเห็นโทษเรื่องโทสะความพยาบาทอาฆาตคนอื่นเขาให้เห็นโทษในโมหะคือความลุ่มหลงมัวเมากับเรื่องต่างๆของกิเลสราคะโทสะโมหะอันนี้ก็คือมโนกรรมเ เห็นผิดจากคำนองของธรรมปองร้ายเค้าหนึ่งพยาบาทเขาหนึ่งอันนี้ยังไม่ผิดวินัยแต่ผิดธรรมผิดธรรมคือคิดออกนอกลู่นอกทางแต่ถ้าว่าเราเข้ามาทางกายเข้ามาทางกายกายกระทำฆ่าซัดขโมยทรัพย์ประพฤติผิดในกรรม หรือตามพวินัย227ยี่บเ็เนี่ยฉันดังจับจับั้นดังชุดชุดชันเลียมือฉันเลียริมฝีปากท่านีออันนั้นแปลว่าผิดแล้วทนีนเองคือผิดพวินัยล่ะเพราะการกระทำทางกายของเราไม่สารวมอ่าแล้วก็วาจาเขาเหมือนกันพูดส่อเสียดพูดคำหยาพูดเพอ้อเจ้อพูดโกหกอ่าต่มตุนหลอกลวงอ่าผิดในพวินัยวดอุตริมนุษยธรรมอย่างนี้เป็นตน้นนะ อันนี้คือผิดทางวินัยกายกับวาจาเนเป็นโทษอะคืปรับโทษถึงหนักถึงขาดจากการเป็นพระได้แต่ลำพังใจที่คิดถึงคิดีจะฆ่าคนขนาดไหนก็าตามแต่ว่ากายยังไม่ได้ออกไปวาจายังไม่ได้พูดไปเอาแต่คิดฆ่าคนวาจาพูดได้ไม่ได้คือวาจาพอเออเอาเงินไปฆ่านะเรามีอานาจวาชนะเอาไปฆ่าคนนั้นให ฆ่าน้อยใช่ไหมเขาก็ไปฆ่าเตัวเองกับนี่แหละสั่งว่าจาออกไปตัวเองก็ขาดจากการเป็นพระอีกเหมือนกั น, น, นเพราะเหตุไรเพราะวาจาพูดออกไปสั่งให้คนอื่นไปทําไปฆ่าคนอื่นเขาไปฆ่าค น, น, นถ้าไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยก็ยังเป็นบาปในระดับหนึ่งไปบอกให้เขาไปขโมยสิ่งของของคนอื่นเขาทําเป็นเงินราคาห้ามาโศกตั้งแต่หนึ่งบาทขึ้นไปตัวเองก็ขาดจากการเป็นพระอีกเหมือนกัน ก็เฮตุใพ่อบอกให้เขาขโมยนี่แหละอันนี้ก็คือสินคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าสินนี่แหละพวกเราให้สำรวมให้ระวังเรื่องสินจากนั้นเรื่องสมาธิทีนี้เรื่องสมาธิคือแนวความคิดทางด้านจิตใจใจเรานึกคิดเรื่องอะไร อย่างที่ผมได้พูดเมื่อเช้านี่ว่าโยมมาจากต่างประเทศเขามาพิจารณาร่างกายของเขาเขาเห็นร่างกายของเขาทำงานเหมือนกับเครื่องจักรเครื่องยนต์ในกายของเขามีธาตุสี่ดินน้าลมไฟเห็นได้ชัดในความรู้สึกแต่เขาบอกไม่รู้จะทำยังไงอีกต่อไป เขาให้พิจารณาให้เพ่งอยู่เพียงแค่นั้นเนี่ยอันนี้แหละคือการทำสมาธิะธอะ้แต่ในแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นด้วยในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ฝ่ายเถรวาทของเราได้ศึกษามาท่านก็ บ, บอกว่าอันนั้นพิจารณาในสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรม กายก็ให้พิจารณากายตั้งแต่ผมผลเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกมา้ามหัวใจอันนี้เปรียบพิจารณากายกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกก็กายการทํางานของหัวใจเต้นตึกตึกตึกตึกตึกหายใจผู้ปับผู้ปับอันนั้นก็คือกายหัวใจนั่นก็คือกายและที่ปรจรในร่างกายที่มันเต้นอยู่จุดใดจุดหนึ่ง แล้วออกกำหนดดูจุดที่มันเต้นอันนั้นก่อกายหายใจเข้าหายใจออกกำหนดที่ลมหายใจเข้าไม่ให้ส่งไปที่อื่นอันนั้นก่อกายอันนี้คือกำหนดกายส่วนเวทนาคือความเสวยคือความรับรู้อันนี้บอกเวทนาหายใจเข้าหายใจออกนี่ของเวทนาการนั่งเจ็บปวดปวดแข้งปวดขาก็เวทนา หิวกระหายก็เวทนาเรานั่งพิกไปมามีความรู้สึกอันนั้นก็คือเวทนาเวทนาคือรับรู้ว่าสิ่งที่มันเป็นถ้ามีความสุขก็เรียกว่าสุขเวทนาถ้าว่าเรานั่งไปอุ่นหรือว่านอนอุ่นเนี่ยนีีว่าสุขเวทนาถ้าว่ามันหนาวมันร้อนมันเจ็บมันปวดเลยว่าทุกขเวทนาทุกขเวทนาทางกาย แต่เวทนาเนะี่ยมันมีสองมันมีสองมันมีทางกายด้วยทางใจด้วยทางกายก็คือเวลาเรานั่งหิวกระหายหายใจเข้าออกปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เราว่าเวทนากายส่วนเวทนาใจความนึกคิดนะ เ, เวลาเรานั่งภาวนามันมีอารมณ์เข้ามากระทบสิ่งที่พอใจสิ่งที่ไม่พอใจ บางทีจิตมันปงฟุ้งอยู่ตลอดพยายามบังคับมันก็ทกใจอยากจะให้มันจิตสงบอย่างนี้อันนี้ก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์ขเวทนาทางใจถ้าเวลาเรานั่งภาวนาะจิตเข้าสู่ความสงบนิ่งสบายรู้สึกปล่อยวางเอบคายกับว่าทําความเข้าใจกับใจตนเองใจของเราไม่ยึดมั่นถือมั่นใจของเรารู้สึกปล่อยวางใจของเรารู้สึกว่า ไม่มีอะไรเป็นที่ใจยอมรับใจเหมือนันเถอรู้สึกว่าใจกําหนดดูใจใจไม่หิวไม่หยใจของเราไม่กัดไม่แกว่งใจของเราไม่กระวนกระวายใจของเราไม่กระสับกระส่ายใจนิ่งใจสบายรู้จักปล่อยวางที่ใจใจมีความสุขอันนี้แหละสุขเวธนาทางใจทุกคเวธนาทางใจก็มี เพราะนั้นทุกขเวทนาทางกายก็มีสุบ ข, ขเวทนาทางกายก็มีสุบ ข, ขเวทนาทางกายคือนอนหลับนั่งที่ไหนสบายอ่ากินข้าวอิ่มนอนหลับสบายเอไม่มีความทุกข์อันนี้เพราะว่าสุบ ข, ขเวทนานี่แหละอันนี้บอกเวทนากายเวทนาจิตจิตคือความนึกคิดขณะนี้เราคิดเรื่องอะไร เราปรุงไปทางไหนปรุงไปทางการมกิเลสคิดถึงรักสวยรักงามรักเพศหญิงเพศชายใช่ไหมหถ้าจิตของเราใจของ เ, งเราคิดไปในทางนั้นเรียกว่าจิตตาโน ป, ปัสสนาสติปัฐานใช้คำว่าจิตของเราคิดออกไปยอย่างนั้นถ้าว่าจิตของเราใจของเราน้อมมาัหาความสงบกําหนดดูจิตใจของตัวเอง ไม่ให้ปุงฟุ้งไปทางไหนมันจะไปทางไหนพยายามกําหนดดูให้ใจอยู่นิ่งให้ใจสงบให้ใจเป็นหนึ่งไม่ให้ใจคิดปุงฟุ้งออกไปข้างนอกอันนี้เราว่าพยายามทําจิตให้สงบจิตตานุปัจนาสติปัฏฐานส่วนทำมานุปัสนาสติปัฏฐานนี่คือธรรมารมธรรมารมที่มากระทบใจ เออสิ่งที่มากระทบมันละเอียดมากจุดนี้พอมากระทบเราก็รับรู้อ๋อรับรู้แล้วก็ปล่อยวางแล้วก็รับรู้ปล่อยวางถ้าสิ่งไหนที่มันเป็นทุกข์เราเป็นเรื่องใหญ่มันมากระทบเนี่ยมันกิดกระเทือนสะท้านบวั่นไหวเหมือนกันเออสิ่งที่ทำมารมสิ่งที่ไม่พอใจอย่างมากอย่างนี้นเออสมวงเมว่าได้ทราบข่าวบ อ, อกคนที่เรารักเคารพนับถือล้มหายตายจากไปอย่างนี้น หรือว่าคนที่เขาผูกพยาบาทอาฆาตกับเราอย่างนี้อที่มันธรรมารมณ์เขามากระทบใจใจของเราก็หวั่นไหวเหมือนกันอแต่ว่าธรรมดาเนี่ยมันเกิดกระทบอยู่แล้วล่ะอกระทบอยู่แล้วเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนั้นอทุกขณะนี่ท่านเปรียบเทียบก็เหมือนกับน้ำหยดลงจากชายคามากระทบกับน้ําที่มันอยู่ข้างล่างอมันหยดจุมลงไป จมเป็นฟองขึ้นมาแล้วก็แตกตับจมเป็นฟองขึ้นมาแล้วก็แตกตับนี่แหละอารมณ์ที่มากระทบใจกับลักษณะอย่างนั้นนะใจรับรู้แล้วก็ปล่อยวางในสิ่งที่ไม่กระเทือนมากแต่ถ้ามันกระเทือนมากมันก็พองใหญ่อีกเหมือนกันนะมันรับรู้มันพองมันเป็นทุกข์เหมือนกัน ที่ทรมรมเขามากระทบใจมันเป็นทุกข์ใจทีเดียวทีนี้มันก็เกิดเวทนาเข้ามาอีกเหมือนกันเพราะนั้นท่านจึงให้กำหนดดูในการภาวนาในหลักของพระพุทธศาสนาที่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้แนะนำสั่งสอนนั้นให้อยู่ในสติปัฏฐานสกลกายเวทนาจิตธรรมเนะี่ยถ้าเราพิจารณาดูจะเป็น คณะอาจาร์ไหนที่สอนเกี่ยวกับพุทธศาสนาถ้าเรานำมาวิเคราะห์ดูแล้วก็อยู่ในสติปัฏฐานสี่แต่บางท่านบางคนท่านก็ไม่ยอมพูดว่านี่คือสติปัฏฐานสีนะไม่ใช่มีแต่ว่าเอาอย่างเดียวงั้นเน่อย่างว่าให้ดูเวทนาให้แขนขยับอยู่ตลอดเวลาให้รู้ว่าแขนขยับเนีน่แต่ตามไป็จริงแขนขยับแขนเป็นอะไรแขนก็เป็นกายถ้าเป็นกายให้กายขยับ ก็จัดว่าเป็นกายานุปัชนาสติปัฏฐานเน่นี่แหล ะ, ะขอให้พวกเราให้จับเงื่อนให้ได้ในการประพฤติปฏิบัติด้วยการศึกษาการเข้ามาศึกษานะั้นให้พวกเราจับเบื้องตนง้นให้ได้จับเงื่อนให้ได้ในเมื่อเราจับเงื่อนได้แล้วใครจะมาอธิบายในเงื่อนไหนให้ฟังเราก็ไม่หลงส้นหลงเงืง่อนเหมือนกั น, นเถอะแล้ก็จะจับเลยเอออันนี้ ท่านอธิบายเรื่องกายโอ้ ه, อันนี้ท่านอธิบายเรื่องเวทนาโอ้อันนี้ท่านเรื่องอธิบายเรื่องจิตเออโอ้อันนี้ท่านอธิบายเรื่องธรรมสรุปแล้วก็คือธรรมารมกับจิตานุปัฏ น, นาเป็นของละเอียดแต่กายานุปัฏ น, นากับเวทนานุปัฏ น, นานี่กายานุปัฏ น, นานี่หยาบกว่าเวทานาลุสิกละเอียดเข้าไปแหละ เหมคารเวทนากับกายานุปัจนานี่ถ้าจะว่าไปจัดว่าเป็นคู่หนึ่งว่างั้นแต่แต่ว่าจิตานุปสนากับธรรมานุปสนานี่จัดว่าเป็นคู่หนึ่งละเอียดสมาธิต้องแนบแน่นหรือแนบติ้งจริงจริงจึงจะรู้ได้ว่าจิตานุปัสนากับธรรมานุปจนสติปัฏฐานจะเห็นได้แต่ถ้าว่าพวกเราขนาดจับกาย จับลมหายใจเข้าหายใจออกยังไม่อยู่ ย, ยังหลงหลงลืมลืมเพราะงั้นแหละเวลาเราก้าวเดินขาขวาพุทธขาซ้ายโทบางทีก็ลอยไปที่ไหนก็ไม่รู้หลงไปที่ไหนก็ไม่รู้ลืมไปที่ไหนก็ไม่รู้มันแสลบไปที่ไหนก็ไม่รู้แล้วทีนี้เราจะมาพิจารณาเวทนามันก็ยิ่งจับยากยิ่งไปจับจิบจตตานุปัสนานที่ทำมานุปัสนาพูดได้เลยว่ามั น, มนจับไม่อยู่เพราะจับของหยับยาก ที่เห็นเห็นกันอยู่มันยังจับไม่ได้จับไม่อยู่และจะไปจับของละเอียดเข้าไปนั้นไม่มีทางที่จะจับให้อยู่ได้เพราะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นของเราท่านจึงให้กาหนดลมหายใจเข้าบริกรรมว่าพทุทหายใจออกบริกรรมว่าโธนี่แหละให้ยึดกรรมฐานนี้เป็นพื้นฐานไปก่อนถ้าเรายึดกรรมฐานนี้อย่างจริงจัง เอาจริงเอาจังเ้วก็ไม่ต้องคิดไปทางอื่นให้เอาธนิกรกรรมฐานอื่นที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์อื่นที่เราได้ยินได้ฟังได้ศึกษามาเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งเอามาสับสนกันเอไม่ใช่ว่าเขานี้เอาองค์หนึ่งมาคิดพรกะกำลังจะจิตสงบเอาองค์หนึ่งมาใส่เข้าไปเราก็เลยสับสนวุ่นวายในตัวของเราเพราะฉะนั้นเราให้จิตเดียวใจเดียว ใจหนึ่งใจเดียวเลยเให้ยึดแนวแถวที่องค์หลวงปู่มั่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เราได้มาศึกษาในสำนักของผมผมจะแนะนําสั่งสอนเรื่องการทําสมาธินี่ผมจะเน้นหนักแนวแถวของสายหลวงปู่มั่นให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาเพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายที่มาศึกษาในวัดผมสมเดือนเนี่ยถ้าพระบวชใหม่ก็ให้ทิ้งซะก่อนกรรมาฐานอื่น อย่านำเข้ามามามาบริกรรมหรือมาปฏิบัติจะทำให้พวกท่านสับสนวุ่นวายจะ่ำว่าพวกท่านอ อ, ออกไปแล้วหรือออกไปจากสานักผมแล้วท่านจะไปปฏิบัติว่าเออที่เข้ามาศึกษาอย่างจริงจังตรวงพ่อในสามเดือนเนี่ยเราเอาอย่างจริงจังเด็ดขาดแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้รับผลที่เราได้ทำไปนั้นคงจะถูกกับจริต ของเราอันนั้นก็ยังค่อยว่ากันไปอีกแต่นี้ถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายเข้ามาอยู่เข้ามาบวชแล้วก็ไม่จริงจังไม่ยึดกรรมฐานแนวแถวของหลวงปู่มันแล้วก็เอากรรมฐานอื่นเข้ามาบริกรรมเอามาปฏิบัติในขณะที่อยู่วัดของผมเอผลอๆจะออกนอกลูก่นอกทางใจส่งออกนอกเผลอๆจะเป็นบ้าเป็นบอขึ้นมาจะตำหนิผมไม่ได้นะ ต้องฟังผมนะขณะที่มาอยู่ในวัดของผมต้องฟังผมต้องฟังซะก่อนอย่างกรรมฐานอื่นทิ้งไว้ก่อนผมบอกว่าให้ภาวนากำหนดลมหายใจเข้าบริกรรมว่าพุทธหายใจออกบริกรรมว่าโถให้มีสติในการก้าวเดินให้มีสติสัมปัญญะสติคือความระลึกได้สัมปัญญะคือความรู้ตัวในการเป็นอยู่ของเราทุกเรียบท ยืนเดินนั่งนอนให้มีสติจากนั้นพอมีสติทุกอริยบทแต่ว่าเรานั่งสมาธิให้กําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเวลาเราจะเดินให้ขาขวาพุทธขาซ้ายโถเวลาเราจะเดินบิดนบาตเก้าวขาขวาพุทขาซ้ายโถไปเรื่อยพุทโถพุทโถเวลาเราเดินขึ้นกุฏิขาขวาพุทธขาซ้ายโถไปเรื่อยเวลาเราจะลงมาจากกุฏิเราก็เอ่ยจะภาวนาขาขวาพุทธขาซ้ายโถมาเรื่อย เวลาเราปัดกวาดเ <Yeah. S 1> วียงขวาพุดเวียงซ้ายโถปัดกวาดฮะเราจับไม้กวาดสรุปแล้วก็คือให้มีสติสัมปชัญญะในการเป็นอยู่ทุกเรียบท mm. ยืนเดินนั่งนอนผมมั่นใจเหลือเกินว่าพวกท่านทั้งหลายคงจะได้ริ้มรถแห่งความสงบไม่คราวใดก็คราวหนึ่งขณะใ ด, ดก็ต้องขณะหนึ่งแน่นอนถ้าพวกท่านทั้งหลายมีความ จริงๆอย่างที่ผมได้พูดนะแต่ถ้าว่าพวกท่านเอจับนั้นจับนี้วางนู่นวางนี้ไปเรื่อยเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างแล้วก็มาทวงผล่ะออมาทวงผลโอ้บวชมาตั้งนมนานมาบวชมาตั้งหลายเดือนเไม่เห็นมันสงบสักทีจิตใจไม่ได้รับความเยอเือกเยน็นเชลเลยฮะเอเหมือนกับคนขี้เกียจไปทํามาค้าขายพอที่สุดก็ว่าตัวเอง ำมาค้าขายแล้วไม่ได้เงินไม่ได้ผลกำไรออกมาเพราะเหตุไรเพราะว่าเราไม่จริงจังเราไม่ตั้งใจจริงเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกทกท่านนะที่เข้ามาศึกษาที่ผมพูดให้ฟังเนี่ยผมได้ปฏิบัติมาแล้วและได้รับคำแนะนาจากครูบาอาจารย์และผมก็ได้ปฏิบัติมาแล้วได้ผล เ, เป็นที่พอใจ ผมจะได้นำมาแนะนำสั่งสอนหมู่พวกเพื่อนให้เอาจิงเอาจังนะอพออดนอนก็ อ, อดนอนพอผอ อ, ออาหารก็พออาหารแต่เมื่ออดอาหารคือมาพยายามอยู่ตามเอกเทศอยู่ตามลาพังให้เพ่งพินิจอยู่ในจิตในใจากาหนดลมหายใจเข้าหาย ใ, ใจออกแต่อย่าไปให้มันเครียดไม่ใช่ว่าเครียดในการกระทำไม่ใช่ไม่ต้องเครียด ทำใจให้สบายปล่อยวางเราทำการทำงานอย่างอื่นเราจึงทำมาแล้วอายุถึงปู น, นี้แล้วเราจะไปเครียดอะไรมันได้อย่างใจของเราทุกอย่างไหมนึกย้อนหลังดูสิไม่ใช่ว่าเราจะได้ดังใจเราทุกอย่างอันนี้เราจะพยายามทำตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนเราก็ปฏิบัติอย่างที่ ท่านบอกกล่าวอย่างนั้นเราปฏิบัติอย่างนั้นเราจะไปเครียดทำไมเพียงแต่ว่าให้จริงจังเท่านั้นหะเสี่ยงไเครียดให้จริงจังให้จริงจังและจริงใจทำให้ส บ, สบายาแล้วก็อย่าไป เ, าเพ่งจนเกินไปจนถึงกับเครียดกับสิ่งที่เราทำลงไปนั้นใครเขา้ารูา้รู้จักว่าพิจารณา อะไรกําหนดอะไรกําหนดลมหายใจเข้าออกรู้ว่าลมหายใจเข้าออกเป็นยังไงเวลาก้าวเดินเราก็รู้ว่าลมก้าวเดินเป็นไงแต่ให้มีสติบังคับให้มีสติอยู่ในการก้าวเดินให้มีสติในลมหายใจเข้าออกพร้อมกับบริกรรมพุทโธฮะนี่แหละจากนั้นเมื่อเราทําอยู่อย่างนี้จนจิตของเราอยู่พอสมควรตัวจิตนิ่งจิตสงบ จากนั้นก็นํามาพิจารณาทางด้านปัญญาออกทางวิปัชนาแหลทะท่านนี่ที่ผมพูดให้ฟังที่ว่าจริงจังและจริงใจเนี่ยบังคับให้อยู่กับที่นะอันนั้นแหะคือพยายามทําให้เป็นสมัติธรรมทำจิตให้เป็นสมัตรรมคือทําจิตให้สงบซะก่อนเมื่อจิตของเราได้พักผ่อนจิตของเราไม่หิวโหวยจิตของเราไม่ปุงไม่ฟุง้งไม่ซ่านจิตของเราไม่กระสับกระส่ายเมื่อจิตของเรา ควรแก่การงานฮจิตของเราเย็นสบายพอสมควรก็ น, นำมาพิจารณาทางด้านปัญญาลท้ทออกทางวิปัชนาแล้วทีนกำหนดร่างกายพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแล้วอแต่พวกเราเห็นอสุภะให้พิจารณากระดูกก็ได้น ะ, ะพิจารณาพวกเรานั่งโดยการเนี่ยสี่สิบป่วยชีวิตเนี่ยกระดูกเป็นโครงช่างทั้งหมด ใช่ไหมพวกเราก็คงจะปฏิเสธไม่ได้เพราะผมไม่พาปฏิเสธผมว่ากระดูกของผมมีนะอ่พวกท่านทั้งหลายก็มีกระดูกเหมือนกันนั่งโดยกันนี่ยอแต่กําหนดดูสินี่ยีกระโหลกศีรษะเป็นยังไงเหมือนขมนะับเพ้านั่นแต่ทางหน้ามันตาโบลเข้าไปถ้าไม่มีเนื้อมีหนังเอาลูกระตาออกแล้วตาเขาโผล่เข้าไป จมูกเป็นยังไงคนเอาจมูกออกไปหมดแล้วฟันเป็นยังไงแต่ละซี่แต่ละซี่เป็นยังไงขากรรไกรฟันชี้ล่างเป็นยังไงเมันออกมาจากไหนฮแล้วก็คอละ่ะกระโหลกคอละ่ะกระโหลกมันติดกระดูกคอลงไปเป็นคอข้อเป็นป่องปองอ่จากนั้นก็ลงไปต่อกระดูกสันหลังแหละเ่ย อ, ออกจากกระดูกสันหลังก่อ นั่นลงไปหาขาเลยสรุปแล้วก็คือพวกเราที่นั่งด้วยกันเนี่ยโครงสร้างของพวกเราคือกระดูกไม่ใช่เหล็กนะ่ไม่ใช่ไม้เนี่ยเป็นกระดูกแต่กระดูกนี้เออมันขยายได้สมัยก่อนเมื่อเป็นเด็กกระดูกก็เล็กเนี่ยต่อมาแล้วก็ทานาอาหารเข้าไปบมรุง ธาตุขันเข้าไปมันก็ใหญ่ขึ้นใช่เหมือนกับต้นไม้มันได้กินน้ํากินปุ๋ยมันก็ใหญ่ร่างกายของเราก็เหมือนกันนั่นแหละได้กินน้ํากินปุ๋ยมันก็ใหญ่ขึ้นแต่บางคนก็แกลนงอยู่บ้างแต่บางคนก็ใหญ่นี่นหะอเนกสรุปแล้วก็คือโครงสร้างข้างในของคนเราก็คือกระดูกนี่แหละให้พิจารณาทางวิปัชนาทีนี่วิปัสนาคือวิปัชนึก เออก่อนที่จะเป็นวิปัชนานต้องวิปัชนึกซะก่อนคือความนึกคิดซะก่อนต้องหาเหตุผลเหมือนกับเราจะคิดเลข น, น, น, นะนะเออคิดเลขเนี่ยเราหลับตาเฉยเราไม่คิดมันจะเป็นเลขได้ยังไงเราก็ต้องคิดว่อเลขเนี่ยบวกกันยังไงอตัวนี้บวกตัวนี้เป็นยังไงตัวนี้มีคุณค่าขนาดไหนหนึ่งั่นคืออะไรสองนั่นคืออะไรสามนั่นคืออะไรสีคร่คืออะไร เราก็จะต้องหาวิธีการบวกลบคูณหาร น, นี้ก็เหมือนกันเมื่อเราพิจารณาร่างกายของเรากับพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริง่มันเป็นจริงอย่างไรกระดูกของเรามีไห ม, มกระโหลกศรีรษะกระดูกคอกระดูกหายปลาลากระดูกแขนช่วงบนช่วงล่างกระดูกข้อศอกกระดูกข้อมือกระดูกฝ่ามือกระดูกนิ้วมือเป็นนิ้ว เป็นกระดูกใช่ไหมนี่แหละให้นึกดูเินึกดูกระดูกทุกส่วนนึกใจช้านะพอเห็นเข้าไปแล้วกันนึกกลับขึ้นมาอีกพอเห็นเนี่ยกระดูกนี่เป็นอนิจจังนะของไม่เที่ยงนะเนี่ยทำไมจะว่าของไม่เที่ยงมันจะเที่ยงได้ยังไงมันเกิดขึ้นมาแล้วอีกสักวันหนึ่งมันก็หมดอายุของมันอ่อีกสักวันหนึ่งเขาเอาไปเผาไฟทิ้งแล้วเนี่ยตัวเองก็หนีจากครั่งแล้ว เนี่ยกระดูกของเราเป็นของไม่เที่ยงนะใจนะฮะใจคือความนึกคิดที่เรากําหนดดูเอาใจนะเอาใจนะกำหนดนะเอาใจกําหนดดูกระดูกนะเนี่ยกระดูกมันไม่รู้เรื่องอะไรหรอกกระดูกแต่ว่าใจผู้รู้เนี่ยกำหนดเอาความรู้สึกนะกำหนดหคิดดูกายดูตั้งแต่กระโหลกจนถึงฝ่าเท้า ดูตั้งแต่ฝ่าเท้าไล่ขึ้นมาจนถึงกระโหลกจะดูจุดไหนเอจากนั้นก็เมื่อดูหลายๆครั้งหลายๆหนะเ่ทบทวนดูหลายครั้งหลายหนร่างกายไม่ใช่ตัวตนของเราหนะ่าแต่ใหม่ๆมันก็ฝืนนะอแต่ฝืนก็จะพยายามบังคับให้มันคิดเอให้มันคิดกลับไปกลับมาตลบไปตลบมาหลายๆครั้งอนั่งทั้งคืนก็คิดทั้งคืนว่างั้น อคิดแต่หัวจดเท้าจะเท้าจดหัวจดหัวจดเท้าจะเท้าจดหัวอย e anyway. <eurs> ่างอย่างแล้วจะพิจารณาตรงกลางก็ได้พิจารณาอศีษ่าย่างเดียวก็ได้พิจารณาเอชี้โค้งอย่างเดียวก็ได้เอ่ที่มันจดมันจ้ำอยู่ยังไงทีนี้ในการกําหนดของเรานี่ยนะมันจะต้องมีจุดเห็นได้ชัดในความรู้สึกอเห็นได้ชัดในความรู้สึกเราพิจารณาเห็น ตั้งแต่กระโหลกศีรษะจนถึงฝ่าเท้านะเราเห็นจุดไหนชัดในความรู้สึกของเราขณะที่พิจารณาหลายครั้งต่อหลายหนน่ะนกําหนดดูรันมันเห็นชัดที่ตรงไหนถ้ามันเห็นชัดที่กระดูกแขนหรือกระดูกฝันหรือว่าเห็นฟันของเราเห็นได้ชัดที่ฟันของเราเราก็กําหนดจิต อยู่จุดเดียวเท่านี้ไม่ให้มันไหวไปทางอื่นไม่ให้เคลื่อนไปทางอื่นจอกําหนดดูอดูฟันเออกําหนดดูฟันของเราเอาฟัน เ, เป็นยังไงลักษณะของฟันนี่แหละพอดูฟันจากนั้นแล้วให้ดูใจอีกเทนี้ใจที่มารู้ฟันความนึกคิดของใจเนี่ยใจของเรามารู้เห็นฟันใครเป็นคนรู้ฟัน ใจมารู้ฟันใช่ไหมใจเป็นผู้กําหนดรู้ว่าฟันใช่ไหมฟันมันไม่รู้ว่ามันเป็นฟันนะอแต่ใจของเราม า, มาให้ความสําคัญว่า น, นี่คือฟันอะทีนี้กําหนดดูใจตัวเองสิอกําหนดดูให้นิ่งดูสิว่าใจทําไมมันไปให้ความสําคัญคนนั้นไปให้ความสําคัญเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนั้นยุ่งเหยิงวุ่นวายไปหมดทําไมใจของเราจึงไปให้ความสําคัญ นี่แหละเรากำหนดดูใจตัวผู้รู้นี่เองค่ะนี่แหละมันจะเป็นยังไงเมื่อต้องเข้าสู่ความสงบลเลยท่านนี้ว่าเข้าไปสู่ความสงบเลยแหละท่านนี้นั่นแหละนี่แหละอคือให้เห็นกำหนดดนนูี่วิธีการทําจิตใจให้สงบให้พวกเราทําอย่างนี้นะอคือมีหลายวิธีอันนี้คือวิธีนึงที่ผมอธิบายให้ฟังเนี่ยคือวิธีนึ่อที่จะต้องทําจิตใจให้สงบ ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ปัญญาใช้ปัญญาตรรอมหรือใช้ปัญญาเป็นเครื่องนําแต่ถ้าว่าพวกเรานั่งกําหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทจิตไม่ปรุงไม่ฟุ้งออกไปข้างนอกดูใจของตัวเองพร้อมกับพรมหายใจเข้าออกจิตใจสงบได้อันนั้นก็มีเ อ, อคืออันหนึ่งแต่ถ้ามันไม่สงบน่ยมันยัง สบายสบายออกไปอยู่มันวุ่นไว้ยออกไปให้พิจารณากายเออหรือให้พิจารณาหนังเออหนังที่มันหุ้มร่างกายอยู่เนี่ยมันหลงอะไรเราหลงหนังใช่ไหมเออที่เห็นคู่คนหญิงชายผุดผาดขึ้นมาเนี่หนังนี่สวยงามขึ้นมาเนี่ยถ้าถลกออกไปสิเออถลกออกไปหนังเขียวปึ๊ดขึ้นมาเออเราบอกคนตายสองสามสี่ห้าวัน หนังมันเขียวหมด่ะมันสวยไหมเอมันเป็นอย่างนั้นไหมเ่ถามใจดูซิใจถ้ามันรู้เห็นตามความเป็นจริงมันก็ต้องยอมรับอดใช้ร่างกายของเราคนเราเนี่ยอพอตายไปสามสี่ห้าวันนะ่ไม่ถึงสี่ห้าวันนะวันเดียวเท่านั้นละ่ะพวกเราไปลถน้ำศพนะเห็นแล้วดำละ่ะเอผิวดำหมดละปากดำหมดละหน้าดำหน้าแร่เข้ามาละเลือดมันออกมาละ พร้อมที่จะเห็นได้ชัดเลยมันผิดปกติมันไม่ใช่ผิวของคนใช่แล้วงามไหมสวยไหมใจไงอย่าไปหลงร่างกายนะใจนะมันเป็นอย่างนั้นจริงไหมใจสิ่งเหล่านี้ก็ขอให้พวกเราทบทวนพิจารณาดูให้ดีให้เห็นตามความเป็นจริงนี่แหละทาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าด้วยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติมาเนี่ยท่านเห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้ เมื่อเห็นตามความเป็นจริงแล้วได้อะไรเนี่ยก็ได้ปัญญาแหละสิพูดอย่างนั้นได้ปัญญาคือรู้แจ้งเห็นจริงเราจะไม่หลงใช่ไหมเอีอ่ในเมื่อเป็นอย่างนั้นเราจะไปหลงมันทำไมความไม่หลงจุดนี้แหละตัดอวิชชาคือความไม่หลงเมื่อความไม่หลงไม่ยึดมัน่นถือมัน่นปล่อยวางเท่านั้นแหละท่านีเ้เบาสบายเลยเท่นี้ที่มันหนักอกหนักใจทุกวันเนี่ย เพราะมันไปยึดมั่นถือมั่นไปยึดนั้นไปยึดนี้ไปยึดนั้นว่าเป็นของเราไปยึดร่างกายเป็นของเราพอยึดร่างกายเป็นของเรากืยึดจัพย์สมบัติเอ่ยึดคนนั้นลูกเต่าเล้าล้านพ่อแม่ปู่ย่าตายายวงสาคานายาตยึดประเทศชาติบ้านเมืองยึดโลกทั้งโลกเงินคำทรัพย์สมบัติเพราะเป็นของตัวเองทั้งหมดเพราะอะไรเพราะยึดร่างกายถ้ารู้เห็นร่างกายวรอม เอ้ยขนาดร่างกายเราพิจารณาทบทวนไปรู้กี่ครั้งตัวกี่หนเห็นได้ชัดว่าร่างกายไม่ใช่ตัวตนของเรานะมันจะต้องแตกสลายอ่มันไม่น่าจะยึดมั่นถือมั่นไม่น่าจะยึดว่าเป็นเราเป็นของเรานาร่างกายนะเอใจนาใจอย่าไปหลงร่างกายนะเอร่างกายเราพิจารณาทบทวนดูแล้วนาเอเมื่อร่างกายไม่ใช่ตัวตนแล้วเราจะไป ให้ความสำคัญของอย่างอื่นนอกกายยิ่งกว่ากายได้อย่างไรใจท่านต้องสำนึกให้ดีนะใจนะนี่แหละในเมื่อเราพิจารณาทบทวนด้วยปัญญาของเราแล้วความรู้สึกของเราและปัญญาของเราได้เห็นแจ้งเห็นจริงที่เราได้ทำจิตใจให้สงบแล้วเราก็จะปล่อยวางที่ใจใไมไม่ยึดมั่นถือมั่นที่ใจ เมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นก็เกิดความเบื่ อ, เ, อเบื่อหน่ายคลายนิพพิธาเนี่ยสับประหนิพพิธาคือความเบื่อหน่ายไม่ยึดมั่นถือมัน่นใจก็หลุดพ้นจากจิเลเอหยาบาละเอียดเข้าไปเรื่อยๆจนถึงหลุดพ้นไม่ยึดมั่นถือมัน่นโดยประการทั้งปวงที่นเีเมื่อเราพิจารณารู้รอบขอบชิดแล้วรู้แจ้งเห็นจริงแล้ว นิพพานังประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเราปล่อยวางหมดแล้วก็มีแต่นิพพานทถนะเข้าสู่ความสงบจนถึงความบริชุทธิ์แล้วนี่แหละขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะเข้ามาบวชในพุทธศาสนาอย่างที่ผมได้พูดได้กล่าวเบื้องต้นวิธีการทําทําอย่างไร เ, เรื่องเบื้องต้นกับเรื่องศีลที่ผมพูดให้ฟังรักษากายวายจา ศีลนั่นคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยไม่ให้มันมีโทษสมาธินั่นคือรักษาใจความนึกคิดของจิตของใจใจของเราปูงฟุ้งซ่านใจิตใจของเราลุ่มหลงอะไรลุ่มหลงร่างกายใช่ไหมร่างกายของเรามีโครงสร้างคือกระดูกใช่ไหมนี่แหละขอให้พวกเราปฏิบัตินะอย่างที่ผมได้พูดแล้วกักรรมฐานที่พวกเราเคยปฏิบัติ แต่ก่อนเก่ามาให้ทิ้งไปก่อนสามเดือนไม่เสียหายอะไรหรอกยึดแนวแถวที่ผมแนะนำสั่งสอนแนวแถวของหลวงปู่มั่นนี่นำมาประพฤติปฏิบัติเพราท่านได้ผลมาแล้วแต่พวกเราท่านทั้งหลายถ้ายึดจับตัว น, นั้นมังจับตัว น, นี้มาใส่ผลที่สูดุ่งเยิงวุ่นวายเผลอๆอย่างจิตใจเพ่งออกไปข้างนอกจิตใจปรุงฟุ้งซ่านออกไปข้างนอก เผลอๆจะเป็นบ้าเป็นบอได้ง่ายๆนะออจิตเป็นวิปัสนูได้ง่ายๆนะแต่ปฏิบัติอย่างที่ผมบอกผมกล่าวเนี่ยผมมั่นใจนะอมีสติสัมปชัญญะอยู่แล้วอะไรที่มันเกิดขึ้นมาเห็นนิมิตเกิดขึ้นมาจะเป็นตู๊เอย่างเทวบุตรเทวดาอินพรมอินพรมก็เป็นอะไรเอเห็นแล้วก็เราได้อะไรเราเห็นเศรษฐีเราจะเป็นเศรษฐีไหม S <S <an> มันก็เราไม่ได้เป็นเศรษฐีเราเป็นยังไงเราก็เป็นอย่างนั้น <S an> เพราะฉนั้นเราจะไปให้ความสําคัญกับเทวบุตรเทวดาอินพรหมอะไรทําไมพิอินก็คืออินพรหมก็คือพรหมเทวดาคือเทวดาเป็นภูมิของเขานรกก็คือนรกเปรตก็คือเปรตจัตติไดฉันก็คือสัตติไดฉัมนุษย์ก็คือมนุษย์ขนาดมนุษย์อยู่ด้วยกันกับเราเราไม่ใช่ว่าจะเอามาเป็นของเราได้ เนีอย่างที่ว่ากระดูกของเราแท้ๆก็ยังไม่ใช่เป็นของเราเราจะไปยึดสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นของเราไปให้ความสําคัญในสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไรถ้าเราไปให้ความสําคัญกับเราโง่สิเนียไปเห็นอะไรกับว่าเป็นของตัวเองว่าเป็นผู้บุคคลสําคัญว่าข้าเป็นผู้สําคัญเนีความสําคัญผิดอย่างนั้นไม่ใช่นะไม่ถูกหลักนะถ้าเราไปเห็นใครอะไรก็ตามในการนั่งภาวนาไปเห็นเที่ยวุตเทวดาอินฟมเออเห็นก็สักว่าเห็นนะ จากนั้นก็ให้น้อมจิตมาหากรมมฐานเดิมถ้าเราไปเห็นพูดผีปีศาจอะไรก็ตามสิ่งที่น่ากลัวนะให้เราน้อมจิตมาหากรมมฐานเดิมที่เรากำหนดกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกบริกรรมพุทหายใจออกโทรหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทรเพียงแค่นั้นแหละนิมิตทั้งหลายที่เราไปเจอไปพบไปเห็นมันจะหายเราตั้งต้นใหม่เราก็บอกว่าที่เราไปเห็นนะ เออมันเรื่องของของที่เราไปเห็นเหมือนกับเราไปเห็นผูผาป่าไม้ไปเห็นต้นสัก์ไปเห็นลิงอยู่ในวัดของเราเนี่ยไปเห็นหมูป่าในวัดของเราเนี่ยไปเห็นลิงข้างบางชนีในวัดของเราไปเห็นงูในวัดของเราเราได้อะไรเราก็ได้เห็นเพียงแค่นั้นไม่ใช่เหรอเราจะไปเอามาแบกอยู่ในจิตในใจของเราทั้งวันทั้งคืนมันถูกไหมมันก็ไม่ถูกอันนี้ก็เหมือนกันนิมิตที่เราไปเห็นแล้วเราจะไปให้ความสําคัญอะไร เห็นแต่สักว่าเห็นรู้แต่สักว่ารู้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราฮนะปฏิเสธอย่างนั้นไปอีกนะฮะพลนั้นพวกเราทุกๆุกองนะเขามาบวชในคราวนี้ให้ตั้งอกตั้งใจผมมีความพยายามมีความะมุ่งมั่นเหลือเกินอยากจะให้หมู่พระพฤติปฏิบัติทำจิตใจให้สงบเมื่อพวกเราจิตใจสงบแล้วจะฝังลึกในพระพุทธศาสนาเชื่อมั่นในทำคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เราเชื่ อ, อไใ้รว่าพระพุทธศสาสนานนั้ไม่โกหกต้มตุนหลอกลวงใครเป็นศาสนาที่ให้ความร่มเย็นเป็นสุขทั้งด้านจิตใจจริงๆแิงเมื่อจิตใจของเราเป็นสุขแล้วกายวาจาครบเป็นสุขไปด้วยถใจของเราสับสนวุ่นวายโมโหโทโสโ ก, โกรธาโลภโกรดหลงอยู่ที่จิตที่ใจแล้วอย่าหวังเลยภายนอกจะมีความสุขขนาดใจตัวเองยังหาความสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้ สิ่งภายนอกจะสุขได้อย่างไรแต่ถ้าว่าเราชําระใจของเราให้บริสุทธิ์นี่ไม่มีกิเลสราคะโทสะโมหะแล้วสิ่งภายนอกมันสุกเองเอความสุขหาได้ที่ใจนี่ยสรุปแล้วไม่ได้หาภายนอกนะหาได้ที่ใจใจของเราเป็นบริสุทธิ์พุทโธแล้วนั่นแหลยพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดสรู้รมใจของท่านนะได้เป็นพระพุทธเจ้านะในเมื่อใจของท่าน ต่จะรู้เป็นพุทธโธอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นบริวารของพระพุทธเจ้าทั้งหมดกุดดีขวุดีพระพุทธเจา้าบริษัทบริวารกับของพระพุทธเจา้าบริขารกับบริขารของพระพุทธเจา้าลูกศิษย์ก็ลูกศิษย์ของพระพุทธเจานะ้านะท่าวาจของเราชั่วชา้าลามกจกเปลิดแล้วทีนี้อย่างชั่วอย่างพระเทวทัศ์อย่างนี้ ตัวเองเป็นประเทวทัศน์คิดไปนในทางอากุศลเราก็มาซ้ำเติมประเทวทัศนะ์ะกลัมของท่านนะอแต่นี่เรายกตัวอย่างให้ฟังส่งยกตัวอย่างความชั่วพระเทวทัศน์อย่างนี้อใจของประเทวทัศน์คิดไปนในทางที่ชั่วบริษัทบริวารของเทวทัศน์บริขานของเทวทัศตอศ อ, อะไรก็เป็นของเทวทัศตเป็นของชั่วช้าเสียหายชั่วช้าเร็วสามไปทั้งหมดเหมือนกัน สรบแล้วก็คือออกมาจากใจใจบริสุทธิ์ใชอย่างให้ให้ท่านให้ความสำคัญเรื่องใจ ใ, ใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าใจเป็นเอกเพราะงั้นอะไอ้ผู้นั้นพวกเรานะมาปฏิบัติค่าวนี้ถึงยังไงจะไม่ได้เป็นเอกก็ตามให้รู้ว่าหลักของพทุทธศาสนาในี่ขัดเกลาเรื่องของใจให้เรารู้เอาไวา้ว่าจะให้ร่างกายนี้อยู่ยงคงฟันมีความสุข หายจากโกาครคภัยไข้เจ็บจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายร่างกายสมบูรณ์อย่าไปคิดอย่างนั้นแอบคิดอย่างนั้นแปลว่าคิดผิดเข้ามาปฏิบัติธรรมทุกวันนี้เขาว่าผู้ใดปฏิบัติธรรมผู้นั้นจะมีร่างกายสมบูรณ์จะเป็นผู้ร่ํารวยจะเป็นผู้มีเงินคําทรัพย์สมบัติร่างกายสุขภาพแข็งแรงอันนั้นเป็นความคิดที่ผิดทําไมจึงพูดอย่างนั้นอา้าวเพราะพระไตรจ้าเป็นสยามผูรู้แจงโลกเป็นโลกวิถูเป็นต้นศาสดาอีก ถ้าว่าท่านปฏิบัติธรรมไปแล้วท่านคุ้มครองว่าร่างกายของท่านไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอย่างนั้นใช่ไหมเราได้ศึกษาบทไหนคาถาไหนคําพูดไหนที่พระพุทธเจ้ า, จาตรัสไว้ในพระไตรปิฎกมีจุดไหนนีมีแต่พระพุทธเจ้าว่าภาราฮาเวปัญจักขันถาขันทั้งห้าเป็นภาระอันหนักข้าพระพุทธเจ้าท่านจึงได้พูดอย่างนั้นจากนั้นก็นั้นท่านเจ็บไข้ได้ป่วยอายุถึงแปดสิบปี ก่อนที่ท่านจะไปปรุงอายุสังขารที่เมืองกุสินาราท่านเดินทางไปเราศึกษาโดยสี่พุทธประวัติสัตเซปเนทุลักทุเลตุปัตตุเปเดินทางไปหิวกระหายนา้ําจากนั้นผลที่สุดท่านก็ได้ไปปรงสังขารที่อุทยานของมรรคกษัตริย์ที่เมืองกุสินารานั่นแหละพวกเราอย่าไปคิดว่าปฏิบัติธรรมแล้วร่างกายของเรา จะสมบูรณ์จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอันนั้นคิดใหม่คิดใหม่ได้ถึงยังไงปฏิบัติทํำยังไงพระพุทธเจ้าให้รู้เห็นตามความเป็นจริงร่างกายก็คือร่างกายแต่มีแต่จิตใจเท่านั้นแหละอย่างที่ว่านั่นจิตใจรู้แจ้งเห็นจริงจิตใจไม่ติดไม่ข้องจิตใจเบื่อหน่ายคลายจิตใจเป็นพระอริยะบุคคลเมื่อจิตใจเป็นพระอริยะบุคคลเป็นพระอรหันแล้วทุกสิ่งทุกอย่างญาติพี่น้องก็เป็นพระอรหรัน เป็นญาติของพระอราหันต์พ่อแม่พระอราหารันต์ทั้งที่พ่อแม่เป็นปุถุชนนะออย่างพ่อพระพุทธเจ้ยยา classics, ได้ตรูเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้ยยาพรนะเจ้าจุโถก็เป็นพ่อของพระพุทธเจ้าแม่ของพระพุทธเจ้าก็เป็นแม่ของพระยยททพุทธเจ้าอประเทศกรุงกบิลพัทก็เป็นประเทศของพระพุทธเจ้ยยาเอต้นตระกูลของพระพุทธเจ้ยยาะเก็อะไรเพราะใจของพระองค์เป็นพระพุทธเจ้ยยา อันนี้ก็เหมือนกันอนะพวกเราทําใจของเราให้บริสุทธิ์ผุดผ่องแล้วกันนั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างออกมาจากใจของเราแล้วบริษัทบริวารภูมาเกี่ยวข้องทั้งหลายทั้งปวงอก็มีความหมายไปทั้งหมดนั่นแหละแต่ถ้าเราชั่วช้าเสียหายแล้วเอีเหมือนกับเราเป็นนักโทษประหารยังไอพ่อแม่ของนักโทษคนนี้เชื่ออะไรเนี พ่อของแม่ชื่อว่าอย่างนั้นเป็นนักโทษประหารเมียของนักโทษประหารชื่อว่าอะไรสรุปแล้วก็คือเป็นญาติพี่น้องของนักโทษประหารอ่าเป็นนักโทษแต่ถ้าบอกผู้นี้เป็นเศรษฐีเมีความสุขทําคุณให้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองพ่อแม่ของเขาคืออะไรอี่ก็เป็นผู้มีบุญคุณไปด้วยเหมือนกันนี่มีกิติศัพท์อันสวยงามไปด้วยเหมือนกันอเพราะนั้น ใจของเราก็เช่นเดียวกันนั่นแหละถ้าใจของเราบริสุทธิ์หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสแล้วนั่นะทุก ส, สิ่งทุกอย่างก็ดีไปด้วยถ้าว่าใจของเราเป็นปุตุชนโมโหโทโศโกธรรมบาปอากุศลเก็บเข้ามาสู่จิตเข้าสู่ใจทำความชั่วช้าเสียหายทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างก็มันไปจากใจของเราอีกเหมือนกันเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะในมาบวชในพระพุทธศาสนา ในครั้งนี้ตักอกตั้งใจเอาจริงเอาจังผมก็เป็นห่วงหมู่พกเพื่อนอยากจะให้หมู่พกเพื่อนได้ริมรถหรือว่าได้รับรถพระธรรมเมื่อออกไปเป็นคราวาตญาณโยมผู้ที่อยู่เป็นพระสงฆ์ดำรงทรงาศาสนาอยู่ต่อไปก็แน่นหนามั่นคงถ้าออกไปเป็นคราวาต์ก็อื่นได้ริมรถพระธรรมก็เป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ดี พอได้ศึกษาได้ปฏิบัติดูแล้วเชื่อมั่นในพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพราะได้ริมรสพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างถึงใจนะเออเป็นคราว่าต์กับเป็นคราวัาต์ที่ดีฝังลากลึกนะในการเป็นอยู่ในความรู้สึกของเราเชื่อมั่นว่าบาปปุลพุนโทษนรกสวรรค์นิพนพะานมีจริงตายแล้วไม่สูญอย่างเนี้ยนะนะอยากจะให้พวกเราได้ริมรสด้วยในความรู้สึกอย่างนั้นนะ การพูดการแสดงธรรมของผมในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาขอยุติในการแสดงธรรมและก็ด้วยอำนาจคุณพระษีรัตนตรยัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองขอให้พวกเราปรถนาหนึ่งสิ่งใดที่อยู่ในกรอบในหลักธรรมวิัยและก็กรอบบุญญาบารมีที่ไม่ผิดต่ออัดต่อธรรมไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่น ก็ขอให้ความปู้มาดปราถนานั้นก็ให้สมหวังดังปราถนาทุกประการขอยุติในการพูดเพียงเท่านี้ต่อนนี้ไปนั่งสมาธิที่นี่